กันมากนะเรานักปฏิบัติเรามีกิตภาวนาตอนนั้นเป็นหัวใจเป็นชีวิตจิตใจของเราต่างองค์ต่างั้งหน้าต่างตาปฏิบัติอย่าหลงตามโลกตามลวงสารซึ่งมันแสดงออกจากภายในใจอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้มีสติ จ, จะทราบได้ทุรยะของสิ่งที่เป็นข่าศึก ที่ทำลายตัวขางเราเองภายในจิตใจของเราศา ส, สนาตั้นสอนลงที่จุดนี้เป็นจุดสำคัญมากทั้งของเรื่องเป็นภัยของเราทั้งเรื่องเป็นคุณของเราผู้ปฏิบัติศาสนา ความคิดความปรุงของใจนั้นมีสาเหตุให้คิดให้ปรุงดูตลอดเวลาสาเหตุนั้นถ้าให้ชื่อตามหลักธรรมชาติเรานึกเชื่อแห่งวัตตะคือเชื่อแห่งวัตถุ แสดงออกจากจิตนะเพราะมันฝังอยู่ในนั้นเชื่อมมันจึงแสดงมาตลอดเวลาด้วยสายเหตุอนั้นเองเราจะทราบได้ชัดก็คือผู้ปฏิบัติต่อจิตใจนั่นแหละตามหลักวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักวินัยก็ให้แน่นหนามันคง อย่างให้เกิดความเดือดร้อนเสียใจกับตัวเองว่าเนื้ทําความผิดทางกายวาจาตลอดถึงใจมีส่วนร่วมด้วยมันจะทาให้ศีนด่างพ้อยให้เกิดความละแคร ะ, ะคายสงสัยในตัวเองเป็นอย่างน้อยและให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนี่ก็เป็นตัวนิวอนเครื่องกั้นกลางทางมรขผลนิพพาน สหลับผว้บเพ็ญจะดำเนินไปไม่สะดวกหรือดำเนินไปไม่ได้หลักธรรมก็คือเครื่องรักษาใจได้แกีสติตามสังเกตความคิดตุงที่ภายเกิดขึ้นภายในใจนั้นสม่เสมอขณะที่กำลังจิตยังไม่เพียงพอก็ให้พยายามเปลี่ยนความคิด ที่เกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติพระธรรมชาติั่นงด้วยวิธีการนำธรรมะเข้าไปเป็นงานแทนที่เช่นบริกรรมคำบริกรรมมีหมายถึงขั้นรุ่มแล้วที่จะปุทใจให้มีความสงบและให้ทำงานตามหลักธรรมะแต่นั่นจีก็เป็น ส, สมาธิ ขี ค, ความสงบใจได้ไมื่กี่มีความสงบใจได้เราก็พอมีช่องมีทางถ้าเป็นการเดินทางก็มีที่พักมีอาหารการบริโภคสำหรับรับกาแม้จะจะนักเบาขนาดไหนก็ พอที่จะเดินไปได้จากนั้นก็ทำได้ปัญญาใครมาฮึงคงที่มาระกี้นี่เป็นใครบอกมาสิ ฮะใครชื่อว่าไงฮึว่างไงประสูติฮึประสูติไม่สุดประสูติทำไมถึงไม่ดูนเวลาของหมเพื่อนึนี่ไปไหนไหนว่าไงเชื่อว่าถึงนนี่ึ ห, หรือเพิ่งลงไปจากนี้เดี๋ยวนี้หรือเพิ่งมานี่ืเพิ่งลงไปหรือจากหรือเพิ่งมานี่นั่นสิยาทําอย่างนี้อีกต่อไปนะครับนี่แล้วมันขวางเห็นไหมพระสงฆ์ทั้งวงนี่เราคนเดียวไปมาขวางหมู่เพื่อนมันน่าดูไหมดูดิเป็นพระหนุ่มน้อยด้วย ตามหลักพระงในท่านลงก่อนกูบาจารย์พระเถระนี่หลักพระงในการลงประชุมสงฆ์ผู้น้อยต้องลงก่อนไม่ใช่ผู้น้อยจะมาลงเป็นมหาเถระภายหลัง ด, งด่อมด้อมมาอย่างนั้นไม่ถูกให้จํำไวนะ้นี่หละเรื่องการปฏิบัติศา ส, สนา ล, ลุ่มๆดอนๆอยู่เนี่ยมันจึงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ผู้ปฏิบัติเราพระเรานะ่ะ ไม่มีอะไรเป็นความจัดความจริงเป็นก า, การฝึกการบังคับตนเพื่อความดีงามอะไรเลยเป็นไปได้ดีได้งไงคนจะดีต้องมีหลักมีเกณฑ์มีข้อบังคับเพื่อความดีปฏิบัติตามนั้นในตะกีนี้เราพูดธรรมะกระดิล้มไปเพราะเรื่องอย่างนีม้มาส่วนอะไรไม่เราไม่คาดไม่คิดนะว่าจะจงขนาดนี้แล้วที่จะมีพระ ดัด้มดั้มดั้มหมายดูมันคว้างอล้วเกินองของพระเป็นต้องเป็นผู้บอกนอนสอนง่ายต้องเป็นผู้เสียสละทิฏฐิมานะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจะงามยิ่งกว่าเพศของพระที่ยาของพระจิตใจของพระที่มีต่อกันด้วยความเป็นธรรมนี่คือพระแท้เป็นอย่างนั้นให้พระกันจำเอาไว้นะในเรื่องแบบ โ ล, โลกสงสารมันเกลื่อนกันกันอยู่แล้วพวกนี้พวกตายแล้วมีป่าชาตายแล้วมีเงินต้นเงือนปลายว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่พวกนี้พวกหาหลักเกณฑ์มาได้ยามาเป็นหลักยามาขีดขวางศาสนายามาขีดขวางเพศของพระของเนนเราจะทําให้เสียปรไปหมดทั้งเราทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกันพระเนรมากเป็นอย่างนี้เห็นไหมล่ะองค์หนึ่งเป็นอย่างองค์หนึ่งเป็นอย่าง แลมันผิดที่ไหนไที่กาหนดเอาไว้เรานี่เฉดมาแสนเฉดแล้วนะตั้งแต่สมัยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเพราเราเป็นผู้อยู่ฉากล้างคอยให้ดูแลความสงบในวงคณะที่อยู่กับท่านพอมาเองท่านแม่ได้นิมนต์มาหามาเองมาเอ ง, เองแล้วก็มาละเจละกะมากํา ค, ความยิ่งใหญ่เแต่ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาอะไรก็ พูดยากแล้วก็หนักเราผู้ดีคอยสอดส่องคอยแนะนำตะเกือนหนักมากนั่นก็เป็นบทเรียนอันสาคัญเพจะนั่นเวลามานี่ถูกเพื่อนฝูงเสดสันปันยอะว่าเป็นคูบาอาจารย์จึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพราเด่นที่เข้าออกในวัดนี้แล้วมันก็เห็นชัดๆอย่างที่เห็นเองโโรโโศจะไปแล้วไหนมาไหนไปแบบกิเลสไปแบบสัญหาไปแบบ โรคแบบงูสานแบบคารวาสไม่ใช่แบบพระดังที่เห็นมาสองลายเมื่อสองเทวันนี้อันพิเดชท่านสุธาพรคื อ, อนะให้ออกจากวาดไปเพราะขัดต่อวงคณะขัดต่อหลักธรรมหลักที่ไหไม่มีที่น่าชมเชยจะเอาไว้ก็จะเป็นการเป็นทําตัวอย่างอันไม่ดีให้เปื่อนเปลือกหมู่คณะเปื่อนเปลือกวัฒนธรรมที่ไห ยินให้ออกไปเมื่อวานก็ออกไปโอ น, น, นพี่เดชท่านพี่เดชนะแล้วท่านสถาพรจะออกไปเมื่อไหร่ถ้าว่าให้ออกไปจะอยู่ไม่ได้นะอยู่ก็หาความเป็นมงคลไม่ได้ออกไปยังจะอาจอาจจะเป็นมงคลถ้าจะขอมพยายามปฏิบัติให้ดีอยู่ที่โดยกา ร, รฝ่าฝืนว่าไม่ให้อยู่แล้วยังฝืนอยู่นี่จะหาความเป็นมงคลไม่ได้ทั้งในตัวของผู้เป็นนั่นแหละ ทั้งวงคณะสงฆ์ทั้งเราคู่ปกครองจะหาความเป็นริงองคนไม่ได้ยืนให้ออกไปเสียเพื่อความเบาหัวใจเบาโฮกของวงคณะอย่าได้มาแปะเพื่อนนี่ท่านสถาพรจําได้แล้วยังดูไหนหนึ่ง ย, ยังไม่ตายไม่ทีหรือองค์นี่ไปพูดกับเราก็พูดแล้วเราก็บอกว่ามีเท่านี้ ที่พูดก็พูดกันตรงนี้พูดโดยอาจโดยธรรมเราบอกแล้วลไม่พูดด้วยทิฏฐิมานะด้วยอำนาจวาสนาประ่าถึงเถื่อนอะไรมาพูดกับหมู่คณนะเอาธรรมที่จะมาพูดปกกองหมู่เพื่อนด้วยธรรมพิษดถูกประการใดจึงพูดกันด้วยธรรม น, น, นี่เวลาจะไปเราพึงผังพึ่ ง, พ, ง, พ, ง, พ, งพังไปเลยแต่ปรึกษาประลบกับผู้ว่าอาจารย์มีท่านปัญญาลึกอธรรมลีเป็นต้นหรือท่านสุดใจสองสามองค์ที่ควรปรึกษาได้ไม่ยอมปรึกษานี่อันหนึ่งแสดงทิฏฐิมานะ ว่าเราคือเราแล้วเราเป็นตัวของเราเต็มที่แล้วนั่นแหละอันหนึ่งที่มันเจ็บแสบในวงคณะเฉพาะอย่างยิ่งวัดเก่าวันตาที่พยายามปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินยัยเต็มความสามารถเนี่ยไปเลยหาเหตุทผลไม่ได้ครับเวลาไปแล้วหาตัณหากลับมานะเนี่ยต่งรึหรืจะหาเรื่องว่านับวันผิดหาไปยังไงมันกหาเหตุผลไม่ได้อืมคนผ้าขนาดนี้จะ้ะ นับบันผิดเพราะการไปด้วยหลักธรรมในเป็นการไปด้วยเหตุที่จะต้องพิาจารณากําหนดกฎเกณฑ์ฝังจิตฝังใจอย่างแท้จริงทำไมจะเอาเอาเรื่องมาว่าจำบันไม่ได้มามาอวดมาอ้างมาลบล้างจิงลบไม่ได้เนี้ยอยากจะไปทางไหนก็ทะเลแตหลายยค่อยพยายามต้อมออกไปเวลาเรามาอยู่นี่ยิ่งเป็นขอ ง, ง่ร้แรงมาก แมหาหัวหน้ามาอยู่ผู้นั้นออกช่องนั้นผู้นีออกช่องนี้แสดงว่านี่หิหวโหยมากในเรื่องความทุติลิตทานในจิตใจและแสดงมาทางกายทางวาจัยด้วยอย่าให้เห็นยิ่งนะอันทิถิมานะมันไม่ทำประโยชน์อะไรให้เราแหละมันไม่นอกจต่มันกีดขวางเราที่เห็นกันอย่างนี้อยาา่าเอามาใช้ในวงคณะสงฆ์ในวงของพระเอาเริ่ม